ขอเรจเริญทรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาศกอุบาศิกาผู้ฝ่บุญฝ่กุศลทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเป็นวันเริ่มต้นของปีใหม่เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ให้ความสำคัญ เพราถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของเราในปีในปีใหม่นี้การจะทําอะไรจึงอยากจะให้เริ่มต้นด้วยดีดังนั้นการมาวัดจึงเป็นการเริ่มต้นที่ถูกที่ควรเพราะเมื่อมาวัดแล้วก็จะได้บําเพ็ญได้กระทําในสิ่งที่เป็นเหตุให้นํามาสร่งความสุขและความเจริญ ไม่ว่าจะเป็นการทําบุญให้ทานการรักษาศีลการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมการกระทําเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความสุขและความเจริญที่พวกเราทุกคนปรารถนากันดังนั้นเราจึงควรที่เข้าวัดกันบ่อยๆทําความดีกันบ่อยๆ ละเว้นจากการกระทำบาปบ่อยๆชำระความโลภโมโทสันที่มีอยู่ในใจของเราอยู่เรื่อยๆเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความสุขและมีความเจริญนั่นเองแต่การที่เราจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยบุญบา ร, รมีสองประการด้วยกันคือหนึ่งอธิษฐานบา ร, รมี สสัจจะบารมีเมื่อรวมกันก็เรียกว่าสัจจะอธิษฐานคือคนเราก่อนที่จะทําอะไรเราก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะไปทําอะไรนั่นเองอย่างวันนี้ก่อนที่ท่านจะมาที่วัดได้ก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าวันนี้เป็นวันน่ำต้นของปีใหม่ จะต้องมาทำบุญที่วัดอย่างนี้เรียกว่าเป็นการอธิษฐานการอธิษฐานนั้นแปลว่าการตั้งใจความตั้งใจไม่ได้หมายถึงขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคล น, นั้นหรือบุคคล น, นี้คำอธิษฐานในทางธรรมะแปลว่าความตั้งใจการตั้งเป้าหมายนั่นเอง <c oughs> ก่อนที่เราจะไปไหนได้เราต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อน เช่นเราจะไปเราจะไปกรุงเทพเราก็ต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะไปกรุงเทพแล้วเราก็ออกเดินทางไปตามทางที่เราต้องการไปไม่ช้าก็เร็วก็ชาพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นนี่เรียกว่าความตั้งใจหรืออธิษฐานบารมีแต่การอธิษฐานบารมีเพียงส่วนเดียวนั้นอาจจะไม่ทำให้เกิดผล สำเร็จตามความต้องการก็ได้ถ้าเราไม่มีสัจจะบารมีสัจจะบารมีหมายถึงความจริงใจหมายถึงว่าจะทําอะไรตั้งใจจะทําทอะไรก็ต้องทําอย่างนั้นให้ได้ไม่ใช่ว่าตั้งใจไว้เฉยๆเช่นวันนี้ตั้งใจว่าจะมาวัดแต่พอตกเย็นเมื่อวานนี้มีเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวก็เลยออกไปเที่ยวจนกระทั่งเดืกเดือน กลับมาบ้านก็นอนหลับตื่นไม่ทันมาวัดไม่ทันก็เลยไม่ได้มาอย่างนี้แสดงว่ามีอธิษฐานคือมีความตั้งใจแต่ไม่มีสัจจะคือความจริงใจที่จะกระทำตามในสิ่งที่ตนเองได้ตั้งใจเอาไว้ฉังนั้นถ้าต้องการที่จะให้การสิ่งต่างๆที่เราปรารถนานั้นบรรลุเป็นผลขึ้นมา เราก็จะต้องมีทั้งอธิษฐานและมีสัจจะบารมีควบกู้กันไปคือตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปตั้งใจไว้ถ้าตั้งใจไว้แล้วต่อให้ฝนตกแดดออกน้ำท่วมอย่างไรก็ตามถ้ายังสามารถทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้เราก็ต้องทำมันยกเว้นถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัย เชน่นเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถลุกขึ้นไปทำอะไรได้ต้องนอนอยู่ในเตียงรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปก่อนอย่างนี้ก็ต้องผลัดไว้ก่อนรอไว้เมื่อหายดีแล้วก็มาชดเชยทำชดใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ไม่เสียสัจจะเพื่อจะได้ไม่ได้เสียความตั้งใจเพราะการกระทำต่างๆที่ดีที่งานทั้งหลาย ที่จะบรรลุปเป็นผลได้นั้นก็ต้องอาศัยความตั้งใจและความแน่วแน่ใจถ้าไม่เช่นนั้นแล้วยากเพราะจะมีอุปสรรคมากจะมีสิ่งต่างๆคอยขัดคอยขวางอยู่เรื่อยๆทั้งสิ่งภายนอกและสิ่งภายในในใจเราก็มีมีฝ่ายที่คิดแต่อยากจะทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะพยายามเลึงใจของเราให้ไปในทำในสิ่งที่ไม่ดี แทนที่จะทำสิ่งที่ดีก็จะถูกอำนาจของฝ่ายต่ำคอยดึงไปอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีความตั้งใจและมีความจิงใจแล้วต่อให้อานาจฝ่ายต่ำนั้นพยายามจะฉุดลากเราไปอย่างไรเราก็จะไม่ไปเพราะเราได้ตั้งใจไว้แล้วและเรามีความแน่วแน่ต่อการตั้งใจของเราเช่นปีนี้ถ้าเราตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีที่งาม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือละเว้นการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอบายามุขเช่นการเสพสุรายาเมาถ้าเราเห็นว่าการเสพสุรายาเมานี้ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนำมาซึ่งความเสื่อมเสียและความทุกข์เราก็อยากจะเลิกเสพสุรายาเมา ว, วันนี้วันที่หนึ่งเราก็ถือเป็นเลิกยาดี ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มันดีกว่าเก่าคือไม่เดินตามรอยเก่าที่พาให้ไปสู่ความทุกขความวุ่นวายใจเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าตั้งแต่บัดนี้ไปจะไม่เดินสุราอีกต่อไปที่ถ้าเรามีสัจจะอธิษฐานแล้วต่อให้อยากอย่างไรต่อให้ใครมาชวนไปดื่มก็จะไม่ไป เพราะว่าเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วเราไม่เราไม่กะเราไม่อยากจะโกหกตัวเราเองคนที่ตั้งสัตตั้งอธิษฐานแล้วไม่กระทำตามสิ่งที่ตนเองอธิษฐานไว้ก็เป็นเหมือนกับคนหลอกลวงตัวเองเช่นว่าต่อไปนี้จะเป็นคนดีจะไม่เกลียดค้านจะไม่เห็นแก่ตัวแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ยังมีความเกลียดค้านอยู่ ยังมีเห็นความเห็นแก่ตัวอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อให้ตั้งใจทําอะไรมากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถบรรลุผลที่ตนเองปรารถนาได้ถ้าไม่มีความแน่วแน่ความจริงใจต่อการตั้งใจของเราดัางนั้นไม่ว่าเราจะอาจจะได้อะไรมาเราก็ต้องให้คหํานึงถึงเหตุอยู่เสมอ เพราะสิ่งต่างๆที่เราต้องการนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถมอบให้กับเราได้ความสุขก็ดีความเจริญก็ดีนั้นไม่มีใครมอบให้แก่กันได้สิ่งที่เราให้พรหรือโวยพร ก, กันว่าขอให้มีความสุขและความเจริญนั้นเป็นการแสดงความปรารถนาดีเป็นไมตรีจิตเท่านั้น แต่การความปรารถนาดีนั้นไม่สามารถดลบรรดาให้ความสุขและความเจริญปรากฏขึ้นมาได้ความสุขและความเจริญจะปรากฏขึ้นมาได้ก็เกิดจากการกระทำของเราทางกายวาจาและใจคือคิดดีพูดดีและทำดีเท่านั้นว่าเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วผลดีก็จะเป็นสิ่งที่ตามมา อย่างวันนี้ท่านคิดดีกันคิดจะมาวัดคิดจะมาทําบุญทําทานคิดจะมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่เป็นความคิดที่ดีเมื่อคิดดีแล้วก็เริ่มทําด้วยการชักจูงเพื่อนฝูงญาติสนิทไม่เสียหายให้มาร่วมทํากันแล้วก็มาจนถึงวัดในวันนี้ และก็ได้กระทำในสิ่งที่ตนเองปรารถนาแล้วนี่คือการกระทำที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขในขณะนี้จิตใจของท่านก็มีความสุขและมีความสบายใจเพราะจิตใจได้รับการชำระความตนีได้รับการการชำระความหวงแหนความเห็นแก่ตัวทําให้จิตใจนั้นเบามีความสุขขึ้น แล้วก็ทำให้จิตใจเป็นจิตใจที่สูงขึ้นเพราะเป็นจิตใจที่มีความเมตตาการุณานเป็นจิตใจที่มีความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันไม่คิดทำลายไม่คิดเบียดเบียนซึ่งเป็นความคิดใฝ่ตังผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นไม่เือ ว, ว่าเป็นผู้เจริญผู้ที่เจริญนั้นต้องเป็นผู้ที่ อนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังแหง่งฐานะของตนที่จะสามารถทำได้ยิ่งสามารถช่วยคนได้มากน้อยเพื่อไรความความสูงส่งความเจริญของบุคคลนั้นก็จะมีมากยิ่งขึ้นไปเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสัตว์โลกตลอดเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกัน โดยที่ไม่ได้รับอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนอกจากปัจจัยสี่คืออาหารบิณฑบาต ท, ที่วอนยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองแต่สิ่งที่พระพุทธองค์กระทำนั้นทำให้เรามีความเคารพนับถือในตัวท่านเพราะท่านทรงเสียสระชีวิตของท่านเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นนั่นเอง และทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนจากผู้ที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือเลยเพียงแต่ปรารถนาให้เขาได้พบกับความสุขพบกับความเจริญให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเท่านั้นนี่คือการกระทำที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจของเราดังนั้นเราจึง ต้องพยายามทำความดีกันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการทดแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายเช่นพระเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้ที่เคยให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือเราถ้าเรามีโอกาสเรามีฐานะพอที่จะทดแทนบุญคุณได้ก็ควรที่จะกระทำกันอย่างในวันปีใหม่ถ้ามีเวลา ถ้าไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่้าควรที่จะไปกราบคุณพ่อคุณแม่มีอะไรก็เอาไปฝากท่านอย่างนี้ก็จะเป็นการกระทำความดีหรือถ้าอยากจะไปช่วยเหลือผู้คนที่ด้อยโอกาสเช่นคนพิการคนชราก็ไปทำกันก็จะทำให้เรามีความสุขใจทำให้เราเป็นคนดีขึ้นทำให้เรามีความภูมิใจในตัวของเราเอง การกระทําเหล่านี้นหะจะทําให้ใจิตใจของเรามีอาหารหล่อเลี้ยงทําให้มีความอิ่มหนําสำําราญใจไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกที่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทําให้เกิดความอิ่มหนําสำําราญใจแต่กลับทําให้เกิดความหิวโหวยความอยากได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะใจนั้นไม่ต้องการสิ่งอะไรในโลกนี้มาให้ความอิ่มเออ่ มันไม่สามารถให้ความอิ่มเอิบกับใจได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุต่างๆเวลาได้มาใหม่ๆก็จะดีอกดีใจไปแต่พอสักระยะหนึ่งก็อยากจะได้สิ่งใหม่ๆขึ้นอีกแล้วเช่นวันนี้ได้ของขวัญเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะได้สิ่งใหม่ๆอีกเพราะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะได้มามากน้อยเพียงไรจะไม่ให้ความอิ่มความพอกับใจของเรา จะไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับใจแต่สิ่งที่สิ่งที่จะให้ความสุขที่แท้จริงความอิ่มความพอนี้ก็คือการกระทำความดีการเสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเรามีอะไรเหลือกินเหลือใช้เราเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนขาดแคลนเรามักก็ควรที่จะนำเอาไปช่วยเหลือ การกระทาเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจดังนั้นถ้าเราอยากจะได้พรเราไม่ต้องไปขอจากผู้ใดเพราะพรที่แท้จริงมันอยู่ในตัวของเราอยู่ในการกระทาของเรานั่นเองถ้าเราทำดีแล้วสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาที่ดีที่งามทั้งหลายมันก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่มีอะไรมาขัดขวางได้เช่นพระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติตน บำเพ็นตอนอยู่ในศีลในธรรมจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตาสมมาสามพุทธเจ้าและสิ่งผลที่เกิดจากการบำเพ็ญก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงได้หลัไม่มีใครให้กับพระองค์ได้ไม่มีใครแย่งจากพระองค์ได้เพราะมันเป็นหลักของธรรมชาติเป็นกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำเชื่อได้ชั่วอยู่ตรงนี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ตรงไหน ไม่ได้อยู่ที่คนนั้นที่คนนี้ที่จะให้ความดีกับเราได้อยู่ที่ตัวเราเราจึงต้องพยายามทำความดีอยู่เสมอถ้าเราไม่รู้ว่าการกระทาความดีนั้นมีอะไรบ้างเราก็ต้องศึกษาการเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมเป็นการศึกษาให้รู้จักเรื่องถูกผิดดีชั่วต่างๆ เพราะถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังไม่ได้ยินเราก็จะเป็นคนเหมือนกับคนตาบอดถ้าเป็นคนตาบอดจะเดินไปไหนมาไหนก็จะไม่รู้ว่าไปถูกทิศถูกทางหรือไม่ไปไปถึงจะพาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองต้องการจะไปหรือไม่แต่ถ้ามีคนนาทางหรือถ้าลืมตาขึ้นมาได้และสามารถเห็นเห็นทางได้ก็จะสามารถ ินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองต้องการได้ใจของเราถ้ายังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับใจที่มืดบอดที่ที่จะต้องทำให้สว่างขึ้นมาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดซึ่งก็จะต้องอาศัยการศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมอย่างในวันนี้ที่ท่านได้มาฟังกันวันนี้ท่านรู้แล้วว่า การที่เราจะได้พรที่ประเสริฐคือความสุขและความเจริญนั้นอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่การกระทำความดีและการกระทำความชั่วและกําจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจ <c oughs> เมื่อรู้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลตามมา เหมือนกับได้อาหารมาตั้งไว้อยู่ที่ข้างหน้าแต่ไม่รับประทานอาหารนั้นประโยชน์ของอาหารที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราก็จะไม่เกิดต่อให้นั่งดูอาหารไปอีกสิบปีความอิ่มก็จะไม่เกิดขึ้นมาจากการนั่งดูอาหารนั้นฉันใดาการได้ยินได้ฟังคําสั่งสอนที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ดีของครูบาอาจารย์ก็ดีหรือของพ่อแม่ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่นำเอาไปปฏิบัติผลที่จะเกิดก็จะไม่ตามมาดังนั้นเราต้องฟังด้วยฟังแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่มีใครสามารถมาขัดขวางให้ผลที่เกิดจากการกระทำความดีของเรานั้นปรากฏขึ้นมาได้ เพียงแต่ว่าเราอาจจะใจร้อนไปหน่อยเราเพียงทำนิดหน่อยเท่านั้นก็อยากจะได้ผลมากมายส่ายกองอย่างนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าตักข้าวไปรับประทานไปเพียงำคำสองคำจะให้เกิดความอิ่มขึ้นมาทันทีย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องรับประทานไปเรื่อยๆตักตักอาหารเข้าปากไปเรื่อยๆจ น, จนในที่สุดก็จะเกิดความรู้สึกอิ่มขึ้นมาเอง สัญดายการทําความดีก็เป็นอย่างนั้นเราต้องทําอยู่เรื่อยๆทําไปเรื่อยๆและต้องไม่หวังให้ผู้อื่นเขารับรู้หรือให้เขามาแสดงความยินดีหรือชื่นชมเราเพราะนั้นไม่ใช่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นที่เราต้องการบางคนทําความดีเพื่ออยากจะให้คนอื่นรู้พอคนอื่นเขาไม่รับรู้หรือเขาทาเป็นไม่รู้เราก็เสียใจ เลยไม่ได้ผลจากการกระทำความดีการกระทำความดีต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้รับจากรับการกระทำของเราเราทำเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขแล้วเราจะได้รับความสุขใจแล้วเราจะได้เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่สูงขึ้นนั่นเองนี่ต่างหากคือเป็นผลเป็นสิ่งที่เราจะทำกัน คือทำแล้วไม่ต้องห้คนตอบแทนจากผู้ที่เราไปทำกับเขาเพียงแต่เขาให้เราได้ทำเหมือนกับเรามาทำบุญกับพระเราก็ไม่ได้มาให้พระต้องมาขอบอขอบใจเราหรือชื่นชมยินดีในการกระทำของเราเพราะการกระทำของเรานะั้นมันมีผลอยู่ในตัวของมันแล้วจะมีใครรู้หรือไม่ก็ตามดังที่นรุลวงศ์งมจัดสอนให้ติดทองหลังพระกัน เพราะว่าเราทำไปติดทองหลังพระถึงแม้จะไม่มีใครเห็นเราติดติดทองแต่ก็มันก็เป็นความดีเป็นการกระทำที่ดีผลก็คือประโยชน์มันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ต้องให้คนอื่นเขามาให้รางวี่รางวัลรางวีรางวัลเหล่านั้นก็ไม่สู้ความสุขใจที่ได้จากการทำความดีนั้นไม่ได้ดังนั้นเวลาเราทำอะไรขอให้เรามองที่ใจเราเป็นหลัก ืูผลที่จะเกิดขึ้นที่ใจเราถ้าใจเรามีความอิ่มเอิบใจมีความปิติมีความสุขมีความสบายใจนั่นแหละคือการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับตัวเราเป็นการกระทำที่ดีที่เราควรที่จะกระทาอยู่เรื่อยๆดังนั้นนกานโอกาสของการเริ่มต้นปีใหม่นี้ก็อยากจะให้ท่านลองตั้งสัจจะอธิษฐานกระทาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ท่านคิดว่าพอจะทำได้ไปตลอดก็ลองตั้งสัจจะอธิษฐานดูหรือจะละเว้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าไม่ดีที่สร้างความเสื่อมเสียสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราก็ขอให้ลองตั้งสัจจะอธิษฐานว่าอย่าละเว้นการกระทำเหล่านั้นถ้าสามารถกระทำตามสิ่งที่ตนเองได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ได้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของท่าน จะดีขึ้นจะมีความสุขและมีความเจริญมากขึ้นดังนั้นในวันเริ่มต้นแห่งปีนี้จึงอยากจะขอฝากพรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้กับสัตวโลกทั้งหลายสามประการด้วยการคือหนึ่งขอให้ทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมสองขอให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเสียและสามให้ชำระจิตใจให้สะอาดโดยสุด กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปและให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจและสิ่งที่ดีที่งามคือความสุขและความเจริญก็จะเป็นผลที่จะตามมาจึงขอฝากเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้นำเอาไปพุทธปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอมอุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัต น, นตรมีพระพุทธพระธรรมระสงค์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มากระทํากันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละโดยทั่วหน้ากันเทอ